รวมสิกขาบทที่มีในปัตตวคคือปัตตวมีสิบสิกขาบทคือ 1. ปัตตสิกขาบทว่าด้วยบาท 2. องอุณะปัญจากพันธนาสิกขาบทว่าด้วยบาทมีรอยซ่อมย่อนกว่า5แหง 3. ามเพศศชสิกขาบทว่าด้วยเพศสี 4. วัดสิกาสาติกาสิกขาบทว่าด้วยผ้าน้ําฝน จีวรอัดชินธนสิขาบทว่าด้วยการให้จีวัแล้วชิงเอาคืน 6. สุตตะวิญญัติศิขาบทว่าด้วยการออกปากขอได้ 7. มหาเปสการาศิขาบทว่าด้วยการสั่งช่างหูกทอจีวร 8. อัจเจกัจีวรศิกขาบทว่าด้วยอจเจกัจีวร 9. สาสังกสิขาบทว่าด้วยเสนาสนะป่าที่น้าหวาดระแวง10ปริ นัตตะสิกขาบทว่าด้วยการน้อมลาก